ดื่มคำก็พอพอใจอยู่เป็นจบอยู่หนกระสุขยิ้มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหวยกับอะไรทั้งสิ้นมหมดความหิวหวยท่านห่ะนิจฉาโตปริญญบุตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินพ่านเลยคือหมายคำว่าดับรอบหมดไม่มีจินใดเหลือนิจฉาโตปริิญบุโตความหิวโหวยอะไรทั้งหมด